จเจริญสุขท่านผู้ฟังและนักศึกษาทั้งหลายครั้งนี้ก็เป็นบทเรียนพุทธประวัติต่อในครั้งที่แล้วนั้นเราก็ได้ว่ามาถึงตอนที่พระอาจารย์ทั้งหลายทั้งสองท่านคือคือพระอัศกถาอาจารย์กับพระคันรธรจนาอาจารย์ได้กล่าว วิจาร์ถึงเรื่องการเสด็จออกบรรพชาของพระองค์พระคันธรจนอาจารย์กล่าวว่าเสด็จออกบรรพชาต่อหน้าแต่พระอราจารยาจารย์ได้กล่าวว่าทรงเสด็จหนีออกบรรพชาในตอนกลางคืนโดยทรงมรากันตะมีนายชนะเป็นผู้ตามเสด็จเราก็เลยว่าไปแล้ววันนี้เราจะกล่าวถึง การบรพชาพิวิธีบรรพชาของอพระมหาบุรุษตามมาติของท่านพระอาตถาจารย์ท่านพระอาสาจารย์ได้กล่าวว่าพระองค์นั้นทรงเสด็จมาขี่มา ก, กันธกะพร้อมมีในชนะเป็นสหายนั้นไปจนถึงลิมฝั่งแม่น้าอโนมานาทีแล้วก็ได้ข้ามน้าไปอีกฝั่งหนึ่งอันเป็นดินแดนของ มัลกษัตริย์ในการบรรยชานั้นพระองค์ทรงพิจารณาเห็นว่าถ้าเกสาคือผมของพระองค์นี้ถ้ า, าเก็บไว้ก็เป็นภาระควรที่จะตัดเนี่ยไม่เอาอย่างตามนักบวชต่างๆที่เอาไว้ผมดังนั้นพระองค์ก็ทรงยิบพระขันที่พระองค์ติดตัวไปนั่นติดพระองค์ไปนั้นขึ้นมาตัดพระเมาลีด้วยพระองค์เอง ปรากฏว่าเมื่อพระองค์ตัดพระเมารีแล้วเหลือพระเมารีอยู่ประมาณสองนิ้วนะประมาณสองนิ้วพระเมารีที่เหลืออยู่ประมาณสองนิ้วนั้นก็ได้เกาะกลุ่มกันเป็นเวียนเป็นทักทีนาวัดเกาะกลุ่มอยู่ที่ตรงกลางของกระหม่อมที่เราเรียกกันว่าเมารีนะที่เราเรียกกันเมาเมารีเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าทศเสียนของพระพุทธรูปนั้น ผิดกับพระเสีพระพุทธสาวกทั่วไปคือพระเสียงของพุทธรูปนั้นจะมีเมาลีขึ้นที่กลางกระหม่อมเมารีที่ขึ้นกลางกระหม่อมนี้ก็คือกลุ่มของพระเกศาที่เวียนเป็นทักทิณาวัดและไปจักตัวมันเองแต่ส่วนพุทธสาวกทั่วไปนั้นเกศาโล้นไม่มีเมารีขึ้นกลางกระหม่อมเมื่อพระองค์ทรงตัดพระเมารีแล้ว พระองค์ก็จับพระเมาลีขึ้นโดยอธิษฐานว่าถ้าหา ว, าว่ขาข้าาพเจ้านั้นจะได้เป็นจะได้ตรัสรู้อนุตระสัมมาสัมโพธิญาณแล้วใ้ขอให้พระเกศานี้อย่าได้ตกมาอย่างพื้นพระองค์ก็ทรงอธิษฐานเช่นั้นแล้วก็เหวี่ยงขึ้นไปในอากาศปรากฏให้เห็นพระองค์ให้พระองค์เห็นด้วยพระเนตรว่าลอยอยู่ไม่ตกมานี่ท่้งกล่าวเป็น กล่าวว่าพระอินทได้นําเอาพระโ อ, อ, อบแก้วมาลองรับพระเกศาของพระองค์แล้วนําไปบรรจุสร้างพระเจดีย์บรรจุไว้ที่ชั้นดาวดึงซึ่งสร้างเป็นพระเจดีย์แก้วผลึกไว้ในบรรจุพระเกศธาตุนี้เพราะฉะนั้นพระเจดีย์องค์นี้จึงมีนามว่าจุรามณีมหาเจดีย์ส่วนผ้า ที่จะทรงห่มนั่นคือผ้าที่จะทรงคลองนั่นท่านพระธัาจารก็กล่าวว่าผ้าคติกาพรหมได้นำมาถวายถ้าคติกาพรหมผู้นี้เคยเป็นสหายในการบงเพ็ญบารมีร่วมกันมาในอดีตชาติเมื่อเห็นว่าพระมหาบุรุษนี้สเสด็จออกบรรพชาก็จึงได้นำบาทและก็ ผ้าไตรามาถวายนำบาดและผ้านุ่งหมมาถวายพระองค์ก็ได้รับบาดและก็เครื่องนุ่งห่มของบรรพชิตจากเท้าขจีกาพรม เ, เมื่อพระองค์รับแล้วไม่มีอะไรที่จะให้เป็นที่ระ ล, ลึกก็จึงได้มอบเครื่องที่พระองค์ทรงนั้นมอบเครื่องที่พระองค์ทรง เป็นชุดสุดท้ายนั้นมอบให้เท้าคติกาพรหมไปเท้าคติกาพรหมนี้ก็จึงได้นำเอาเครื่องทรงของพระองค์ขึ้นไปสู่ภพโลกและไปทำเป็นพระเจดีย์บรรจุไว้สร้างพระเจดีย์บรรจุไว้เพราะฉะนั้นพระเจดีย์องค์นี้จึงมีนามว่าทุสเจดีนมีอยู่ที่พรหมโลกนั้นนี่กล่าวตามมติของท่านพระสกทาจัางพระองค์นั้นเมื่อบรรพชาแล้ว ก็ให้สั่งให้ในายชนะนำม้าคัตากะและก็เครื่องทรงต่างๆนั้นกลับไปพระนครเพื่อแจ้งความอันนี้แก่พระราชบิดาเพื่อจะให้พระราชบิดานั้นหายเป็นห่วงแล้วพระองค์ก็เสด็จอยู่โดยพระองค์เดียวณสถานที่นั้นเป็นเวลาสิ้นเจ็ดวัน อันนี้ก็พอจะลงกันได้ว่าตามมาติของอาจารย์ทั้งสองนั้นแม้จะผิดกันบ้างในการที่ออกบรรพชาหรือมูลเหตุ ก, การบรรพชาแต่ก็พอลงรอยกันได้ว่าพระมหาบุรุษนั้นได้เสด็จออกบรรพชาจากศักยัตรกูลเมื่อพระชนมายุได้ยี่สิบเก้าพรรษาณวันขึ้นสิบห้าคำเดือนแปดหรือที่เราเรียกว่าอาสาลหามา ลงกันได้นี่ก็เป็นอันว่าจบปริเชตที่สี่อันเป็นปริเชตเกี่ยวกับเรื่องบรรพชาต่อไปก็ปริเขตที่ห้าในปริเชตที่ห้านี้เป็นปริเขตที่กล่าวถึงเรื่องการตัดสุลุพระมหาบุรุษทรงบรรพชาแล้วเสด็จลาแลแมอยู่ที่อนุปิยอำเภวันแขวงมัละชนบท อ, อยู่เป็นช่วเวลาราวเจ็ดวันแล้วพระองค์ก็ได้เสด็จจาริกไปาดาเนินจาริกไปจนกระทั่งเข้าเ ข, าเขตมคตชนบทหรือว่ามคตทะทรัตซึ่งมีเมืองหลวงที่ชื่อว่าราชคลืในเมื่อพระองค์เสด็จเข้าไปบิธบาทนกรกราชคลือนั่น ปรากฏว่าประชาชนชาวกรุงราชเกั้นโกลาหลเป็นอันมากเพราะเหตุที่ว่าไม่เคยเห็นนักบวชชนิดนี้มาก่อะเคยเห็นแต่นักบวชบางท่านนั้นไวผมและหนวดคราวลุงลังเนื้อตัวเต็มไปด้วยเท่าและฐานหรือว่าคีโคลนที่เขาได้มายาตามเนื้อตามตัวนักบวชบางท่านนั้นก็ไม่นุภา บางท่านถึงจะนุ่งผ้าแตนนุ่งผ้นนงาเล็นน ก, นนกนนๆน้อยๆแต่เห็นพระเอะพระโพธิสัตว์หรือพระมหาบุรุษแล้วเป็นผู้ที่เรียกว่าแต่งกายคือห่มผ้าเรียบร้อยมีผ้า น, นุ่งผ้าห่มเรียบร้อยแล้วก็ปลงผมปลงทิสระเรียกว่าเป็นสมณะลดไม่เคยเห็นมาก่อนก็จึงได้วิจารกันต่างๆนานความโกราหันวุ่นวายเช่นนี้ปรากฏว่าได้ไปถึงพระกันของพระเจ้าพิมิตา พระเจ้าพิมิสานก็จึงให้ราชบุตรเนี่ยติดตามติดตามแล้วก็แจ้งให้พระองค์ทราบโดยว่าท่านทำอะไรอยู่พระมหาบุุษนั้นเมื่อเสด็จออกบินทบาตรได้อาหารและบินทบาตรพอที่จะยังอัตภาพให้เป็นไปแล้วก็จึงได้หลีกออกไปนอกทางไปพักณนะที่ล่มเงาแหง่งภูเขา ปันตปันปันดวะลูกหนึ่งเพื่อที่เประทับนั่งเพื่อที่จะสวยพระกระยาหารในขณะนั้นเองลาบบุรุษทั้งหลายก็จึงได้มากราบทูลพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารก็จึงเสด็จไปด้วยพระองค์เองเมื่อเสด็จไปด้วยพระองค์เองแล้วพระองค์ก็ทรงตรถามนะพระองค์ก็ทรงตรถามว่าพระองค์อ่าออกบวชจาก ตระ ก, กูลใดอยู่เมืองไหนชื่ออะไรพระมหาบรุษก็จึงได้ตอบว่าอาตมาออกบวชจากสกยตตระกูลซึ่งมีเมืองหลวงอ่าซึ่งมีเมืองหลวงว่ากรุงกบิลพั์นามว่าสิทธะราชกุมารพระเจ้าพิมิสารได้ฟังเช่นนั้นพระองค์ก็รู้ได้ทันทีว่า เจ้าชายสิทธากุมาณ น, นี้ได้เป็นอธทิตถะปุพพสหายแต่พระองค์คือเป็นสหายที่ไม่เคยเห็นหน้ากันเลยแต่ได้มีพระราชฐานสื่ อ, อเป็นพันธมิตรซึ่งกันและกันเสร็จแล้วก็เข้าใจว่าพระมหาบุรุษนี้เข้าใจว่าพระมหาบุรุษนี้ที่ออกบวชนั้นก็เหตุที่ว่าหนีภัยเกี่ยวกับเรื่องการเมือง ดังนั้นในฐานะที่เป็นสหายซึ่งไม่เคยพบหน้ากันเลยพระเจ้าพิพิษสารก็เชื่อเชิญให้อยู่ร่วมกันโดยที่จะให้คลองอกรุงแคว้นมครัฐเนี่ยครึ่งหนึ่งพระมหาบุรุษได้ฟังได้ทรงฟังเช่นนั้นแล้วก็จัดขอพระไทยแล้วจึงได้แจ้งความประสงค์ว่าการที่พระองค์ออกบทนี้พระองค์ต้องการที่จ ะ, สะแสวงหามกธรรม อันเป็นธรรมะเครื่องพ้นไปจากการเกิดแก่เจ็บตายพระเจ้าพิมมิสารก็ตรัสอนุโมทนาแล้วก็ขอได้จัดว่าถ้าหากว่าพระองค์นั้นได้ตรัสรู้มาลายแล้วขอได้เสด็จมาเทศนาโปรดโยบ้างพระมหาวุลก็ทรงรับด้วยอาการนิ่งเสร็จแล้วพระมหาพระเจ้าพิมมิสานก็เสด็จกับ พระมหาบุตรนั้นพระองค์บวชใหม่ๆยังไม่ชินนักในภาวะให้มันระคิดเพราะฉะนั้นก็ต้องหาสำนักหรือคณ า, าจารย์เป็นผู้สั่งสอนก่อนพระองค์ก็มุ่งไปสู่สำนักที่อาจารย์ที่มีชื่อเสียงอันดับแรกพระองค์ก็เข้าไปสู่สำนักของอ า, าลารดาบดกาลามโคศ ซึ่งอาราละดาบทการกามโคตรผู้นี้พระองค์ได้ศึกษาจนกระทั่งได้บรรลุหรือว่าได้เรียนจบถึงรูปฌานสี่อรูปฌานสามที่เราเรียกกันว่าสมาบัตเิเจ็สมาบัตเิเจ็ประการรูปฌานสี่ก็ได้แก่ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานและจตุทะฌานอรูปฌานสี่ก็ได้แก่อากาสานัญจายตนะบิน ญ, ญาณัญจายตนะและอากิจญาณัญจนะ เรียนจนกระทั่งจบความรู้ของอาจารย์ก็จึงได้ถามเรียนถามอาจารย์ว่าความรู้ที่ยิ่งไปกว่านี้นะ่ะมีอีกไหมท่านอาราณะบดก็ได้กล่าวโดยตรงว่ามีความรู้แค่นี้หมดแล้วแล้วก็ได้ยับได้ยกย่องอ่าพระมหาบุรุษเนี่ยว่าเป็นคนอว่าเป็นผู้ที่มีปัญญาดีสามารถเรียนได้มีความรู้เท่ากับอาจารย์แต่พระองค์นั้นเห็นว่า สมาบัเจ็ดนี้ยังไม่ใช่หนทางตัสรู้ก็จึงได้ลาออกจากสำนักของอาจารย์ลาออกจากสำนักของอาจารย์ไปแสวงหาอาจารย์ที่มีความรู้ยิ่งไปอีกก็จึงได้ไปสู่สำนักของอุทธกดาบทลามบุตรอุทกะกดาบทลามบุตรผู้นี้พระองค์ก็ได้รับความรู้เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งอีกข้อหนึ่งคืออรูปฌานคืออรูปฌานข้อที่สี่ ได้แก่เนวสัญญานาสัญญาเจนะรวมแล้วก็เป็นว่าสมาบัติแปดประการเป็นรูปฌานสีรูปฌานสิเมื่อพระองค์เรียนจบแล้วก็จึงได้ถามเรียนถามอาจารย์อาจารย์ก็บอกโดยตรงว่าความรู้มีแค่นี้เท่านั้นเองหมดแล้วแล้วก็ได้ยกย่องพระมหาบุรุษว่าเป็นผู้ที่มีปัญญาสามารถรมีความรู้เท่ากับอาจารย์แล้วก็แต่งตั้งให พระมหาบุรุษเนี่ยเป็นอาจารย์ที่จะได้บอกลัทธิแก่สารุสิตใหม่ๆต่อไปแต่พระองค์นั้นทรงเห็นว่าในลัทธิที่ว่านี้ยังไม่ใช่หนทางที่จะให้สำเร็จพระสัมมาสัมพธิยานก็จึงได้ลาออกจากสานักของอาจารย์เตี้ยแล้วก็คิดว่าจะลองทดลองการที่บาเพ็ญเพียรด้วยพระองค์เองต่อไป พระองค์มาลาเอาจากธรนักของอาจารย์แล้วก็ได้จาริกต่อไปจนกระทั่งบรรลุถึงตำบลหนึ่งมีนามว่าอุรุเวลาเสนนานอุรุเวลาเสนานิคมพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นว่าเป็นพื้นที่ลาบลื่น ม, มีแนวป่าที่เขียวสดเป็นที่เบิกบานใจมีแม่น้ำใสสะอาดไหลผ่านมาเป็นนิดเป็นที่น่าลื่นลม และโคจรกลรามคือบ้านที่หมู่บ้านที่สําหรับจะอาศัยเที่ยวพิขาจาร์นั้นก็ตั้งอยู่ใกล้ๆโดยรอบไม่ไกลนักเห็นว่าเป็นประเทศที่เหมาะหรือว่าเป็นพื้นที่ที่เหมาะควรที่จะกระทําความเพียรเป็นที่กระทําความเพียรของกุลบุตรผู้มีต้องความผู้มีความต้องการด้วยการกระทําความเพียรจึงเสด็จประทับอยู่ที่นั่นพระมหาบุรุษนั้น ทรงบำเพ็ญเพียรด้วยพระองค์เองในวาระแรกนี้ก็พระองค์ก็ทรงบำเพ็ญเพียรแบบทุกขกรรมปิยาคือการทรมานพระกายให้ลำบากอันเป็นกิจที่กระทาได้ยากยิ่งการที่พระองค์ทรงทดลองในการบำเพ็ญเพียรทุกขกรรมปิยานีก็เพื่อจะทดลองตามคําเล่าลือหรือว่าตามคําบอกเล่าของพวกชาวของของฤาษพรามณ์หรือว่าเป็นขอ คนชาชวุูพูทวีปซึ่งมีความเห็นว่าบุคคลต้องการจะสำเร็จสิ่งหนึ่งประการใดนั้นจะต้องบำเพ็ญเพียรด้วยแบบทุกกรรมิยาหรือทรมานกายย่อมจะสำเร็จได้ทุกทุกชนิดทุกอย่างสิ่งที่ตนต้อง ก, การถ้าหากว่ายังไม่สำเร็จถึงแก่มรณะภาพซะก่อนก็จะได้ไปเกิดสวรคงเพราะเหตุที่ว่าการบาเพ็ญเพียรโดยการทรมานกายนี้ พระผู้เป็นเจ้าเบื้องบนนั้นทรงเห็นพระไถยก็จะประทานสิ่งที่ตนเองปัทนาให้เพราะฉะนั้นพระองค์ก็ต้องการเพื่อจะทดลองตามความเชื่อถือของพวกพราหมณ์และชาวจุลูทวีททั้งหลายดังนั้นพระองค์ก็เริ่มบำเพ็ญเพียรโดยทุกกรรกยาก็คือการทรมานพระกายให้ลำบากในวาระแรกนั้นพระองค์ทรงกดพระทนด้วยพระทนกดพระทนด้วยพระทนก็คือกัดฟัน กดพระตาลุด้วยพระชิวหาก็คือใช้ลิ้นเนี่ยดุงเพดานทรงกระทําอยู่เช่นเนี้ยกัดฟันแล้วก็ใช้ลิ้นดุงเพดานจนกระทั่งน้ําพระเสโทไหลออกทางช่องพระกระฉับเสโทนี้ก็คือเหมือกระฉับก็คือรักแร้พระองค์ทรงกระทาความเพียรอยู่เชน่นนี้จนกระทั่งเหมือเนี่ยไหลออกจากช่องรักแร้ ในเวลานั้นเนี่ยปรากฏว่าได้เสวยในขณะที่กระทานั้นปรากฏว่าได้เสวยทุกเวทนาอันแรงกล้าถ้าจะเปรียบเทียบแล้วว่าแรงกล้าขนาดไหนท่านเปรียบเทียบฟังว่าเหมือนกับผู้ชายที่มีกําลังเนี่ยหรือคนที่มีกําลังจับคนที่มีกําลังน้อยไว้ที่ศีรษะหรือบีบที่ต้นคอให้แน่นเช่นั้นเนี่ยได้ทุกเวทนาขนาดนี้ เหมือนกับคนที่พูดง่ายๆว่าเหมือนคนที่มีกําลังคนตัวโตแล้วก็จับคอเด็กหรือคนที่อ่อนกําลังนั้นบีบไว้ที่ต้นคอเนี่ยจะเกิดทุกขเวทนาขนาดไหนอขอให้ท่านผู้ฟัง ล, งลองลองทดลองดูก็ได้เกิดทุกขเวทนาเป็นอย่างมากแต่พระองค์นั้นก็พยายามระ ง, งับจิตใจของพระองค์นั้นไม่ให้พระกายเนี่ยกระวนกระวายนะแม้ทุกขเวทนาจะเกิดขึ้นครอบงําจิตใจ ก็พยายามไม่ให้พระกายเนี่ยของพระองค์เนี่ยก็สับปะสายพระองค์ก็มีสติตั้งมัน่นไม่ฟันเฟือนปราลบความเพียนไม่ท้อถอยก็ทําอยู่เช่นเนี้ยกระทาจิตให้เป็นสมาธิพยายมอดตั้นในทุกเวทนาเกิดขึ้นนั้นไม่ให้ทําให้พระกายพระพระหรธาไทยของพระองค์เนี่ยก็สับปะสายก็ทําอยู่เช่นนี้ยนานพอสมควรจนกระทั่งเห็นว่าไม่ใช่ทางศัสิรุ เพราะทรงกระทำเรื่อยๆแต่ทรงการกระทำนี้ไม่ใช่ว่ากระทำตลอดไปนะเมื่อทนไม่ไหวก็พักสักครั้งหนึ่งแล้วก็เริ่มกระทำใหม่กระทำอยู่บ่อยๆก็ยังไม่ได้ตัตรู้ก็เห็นว่าหนทางนี้คงไม่ใช่ตัดรู้แน่พระองค์ก็ทรงเปลี่ยนวิธีทรงเปลี่ยนวิธีใหม่ในวาระที่สองนั้นพระองค์ทรงผ่อนปลั้นล้มอัศจะปัสสาสั ภาสาสันเห็นแปลว่าหายใจเข้าภาษาสาหายใจออกก็แปลเอาความแล้วก็ได้แก่ว่ากลั้นลมหายใจเพราะองค์ทรงกลั้นลมหายใจไม่ให้เข้าและไม่ให้ออกเมื่อลมไม่ได้เดินสะดวกทางช่องพรนาสิกและช่องพระโอษพระนาศิกก็คือจมูกและพระโอษก็คือปากคือพระองค์ไม่ให้กลั้นลมหายใจไม่ให้เดินออกเข้าทาง ช่องจมูกและก็ช่องปากเ <c oughs> มื่อลมที่เข้าไปแล้วไม่มีทางออกลมอันนี้ก็ตีขึ้นบนหาทางที่จะออกก็เลยเกิดเสียงดังอู้ทางช่องประกันทั้งสองช่องประกันนี้ก็คือช่องหูถ้าแค่ลมไม่มีทางออกก็หาทางที่ออกทางช่องหูเลยก็เกิดให้ดังอู้ขึ้นที่ช่องหูทั้งสอง อเลยก็ทําให้ปวดทะเสียนคือปวดศีรษะเมื่อลมขึ้นเบื้องบนแล้วจนกระทั่งให้หูอื้อแล้วไม่สามารถจะออกได้ลมนี้ก็ทําให้ปวดศีรษะแต่เมื่อลมปวดที่เมื่อลมขึ้นบางเ บ, บื้องบนไม่มีทางออกลมนี้ก็ตีกลับลงไปภายล่างคือลงไปสู่สู่ท้องสู่เบื้องล่างก็ทําให้เสียดพระอุทธรก็คือเสียดท้องอ่ะลมต้องการจะออกข้างบนไม่ได้แล้วก็ลงตีกลับเบื้องล่าง เมื่อไม่มีทางออกก็ทําให้เสียดทองเมื่อเสียทองแล้วก็ร้อนไปในพระกายเป็นกําลังก็ทําให้พระกายของพระองค์เนี่ยเมื่อไม่มีทางออกก็ร้อนเป็นกำลังแม้ได้เสวยทุกขเวทนากล้าถึงเพียงนี้แล้วทุกขเวทนานั้นก็ไม่อาจจะครอบงําพระไทยของพระองค์ให้กระซับกระสายได้คือพระองค์พยายามระงับทุกขเวทนานั้นไม่ทําให้พระไทยของพระองค์นี้กระซับกระสาย มีพระสติตั้งมันไม่ฟันเฟือนแล้วปรารลภความเพียรอยู่นี้ไม่หยุดหย่อนทรงกระทําบ่อยๆเมื่อพระองค์ทรงเห็นว่าจะทนไม่ไหวก็คลายสักครั้งหนึ่งแล้วก็ทําอีกจนเช่นนี้บ่อยๆจนกระทั่งเห็นว่าทางนี้ก็ไม่ใช่ทางตััสรูเหมือนกันก็จึงเปลี่ยนวิธีใหม่ในวาระที่สามนั้นพระองค์ทรงอดพระอาหาร วิธีอดพระอาหารนั้นพระองค์ทรงผ่อนเสวยแต่วันละน้อยละน้อยแล้วก็เสวยอาหารที่ละเอียดบ้างจนกระทั่งที่ว่าไม่เสวยเลยนี่การอดอาหารการอดอาหารไม่ใช่ว่าเราถึงโครงคลามจะอดเลยไม่ได้ต้องผ่อนไป เคยฉันเท่านี้ก็ฉันให้น้อยลงน้อยลงจนกระทั่งที่ว่าค่อยๆผ่อนไปจนกระทั่งไม่ฉันเลยหรือว่าฉันอาหารที่ละเอียดบ้างแล้วก็ผ่อนไปจนทั่งไม่ฉันจนพรลัรกายของพระองค์นี่เหี่ยวแห้งพระชวีวันที่เคยพองใสอยู่นี่ก็เศร้าหมองปรากฏว่าร่างกายนี่ปรากฏเฉพาะอาทิเท่านั้นเองคือกระดูกเรียกว่าหนังพุ่งกระดูก ปรากฏว่าต้นหนังหุ้มขนดุบเหี่ยวแห้งไปหมดเมื่อพระองค์ทรงใชพ้พระหัตต์เนี่ยลูกไปตามผู้วกรากายนีย่ก็ปรากฏว่ามีเส้นโพโลมาคือเส้นขนเนี่ยติดหลุดพระหัตต์ลงมาเพราะเหตุที่ว่าขุ้มขนนี่เน่าหมดเนื่องจากว่าไม่มีอาหารไปเลี้ยงร่างกายอาหารที่เราบริโภคขึ้นไปนี้ก็จะไปเกิดเป็นเลือดนะจะเกิดเป็นเลือดเป็นเนื้อสําหรับหล่อเลี้ยงร่างกาย แต่เมื่อไม่มีอาหารเลือดที่จะไปเลี้ยงร่างกายก็ไม่มีเพราะฉะนั้นขุมขนต่างๆก็ป่วยเน่าหมดเมื่อลูกตัว เ, เมื่อลูกขึ้นมาก็ปรากฏว่าขนนั้นหลุดออกมาพราะองค์นั้นเนี่ยเมื่ออดไยกระยาหารเขาก็มีกําลังน้อยจะเสด็จลุกไปข้างไหนก็ตามไมเสด็จลุกนั่งก็ตามก็ส่วนล้มจนกระทั่งประชาชนทั้งหลายที่ได้ผ่านไปเห็นแล้วก็ ถึงก็กล่าวว่าหรือทึ่ทักกันไปว่าพระสมณโคนดมเนี่ยดำไปบ้างบางคนก็บอกว่าไม่ถึงก็ดำนักเป็นแต่คลั่งไปอ่าแต่บางคนก็บอกว่าเป็นแต่เพียงสู้ซีดไปเท่านั้นนี่พระองค์ทรงกระทำเช่นนี้ก็นับว่าเป็นเวลานานนะกระทำไปกระทำมากก็เป็นเวลานานก็ไม่สามารถที่จะบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณตามที่ประสงได้ พระองค์ก็ทรงอธิษฐานในใจว่าทรงอธิษฐานว่าการที่บำเพ็ญทุกรกริยานี้เห็นจะไม่เห็นทางตรัสรู้แน่ไม่เห็นทางไม่ใช่ทางตรัสรู้แน่ก็ได้ทรงเลิกเสียกลับมาสวยพระกรยาหารเป็นปกติใหม่แต่พระอังฆาจา ร, รย์พระอาจารย์พ ร, จรุพรจนามมชิมานิกายแสดง เหตุที่ทรงละการบําเพ็ญทุกละกิริยาเสียว่าในขณะที่พระองค์บําเพ็ญทุกลกิริยานั้นก็มีอุปมาสามข้อที่พระองค์ไม่เคยสดับมาก่อนนั้นน่ะมาปรากฏแก่พระองค์ในอุปมาสามข้อนั้นน่ะที่ปรากฏแก่พระอ่าพระรัตถ์ไทยของพระองค์นั้นก็มีอยู่ว่าข้อนหนึ่งว่าสมณะพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งซึ่งมีกาย ไม่ได้หลีกออกจากกามและมีความพอใจรักภคร่ในกามยังละให้สงบละ ง, งับไม่ได้ดีสมณะพราหมณ์เหล่านั้นแม้จะเสวยทุกขเวทนาอันกราบแสแพรเพ็ดที่เกิดเพราะความเพียรก็ดีไม่ได้เสวยก็ ด, ด, กดีก็ไม่ควรตัดสู่เนี่ยในข้อนี้หมายความว่าสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดที่มีกายไม่ได้หลีกออกจากกามก็หมายความว่าเป็นคนที่ยังมีลูกมีเมียอยู่เนี่ย แล้วก็มีความพอใจรักใคร่ในกางก็เรียกว่ายังมีใจน่ะฝักใฝ่อยู่ในกลามาตัญหาหรือว่าในกลางมาคุณทั้งห้าอยู่ยังไม่สามารถจะละได้สมณะพราหมณ์เหล่านี้เนี่ยแม้จะบําเพ็ญเพียรจนได้เสวยทุกขเวทนาอย่างแรงกล้าก็าตามหรือไม่ได้เสวยทุกเวทนาก็าตามบําเพ็ญเพียรเน่ะก็เรียกว่าเหนืยเปล่าไม่มีทางที่จะสรู้ได้นะท่านเปรียบว่า สมณพรามเหล่านี้เหมือนกับไม้สดที่ยังชุ่มด้วยยางบุคคลที่แช่ไว้ในน้ําก็หมายถึงว่าไม้สดสดที่ชุ่มด้วยยางบุคคลที่อแช่ไว้ในน้ํานั้นนะเมื่อบุคคลต้องการต้องการจะได้ไฟก็เอาไม้ท่อนนั้นนะ่ะที่ยังสดสดอยู่และแช่ในน้ำโดยมัสีให้เกิดไฟขึ้นนะ่ะท่านบอกว่าไม่สามารถที่จะให้เกิดไฟได้เหนื่อยเปล่าน่เป็นการเหนื่อยเปล่า คือคนสมัยก่อนนั้นไม่มีไม่ขี่ใช้หรือไฟใช้ยอย่างในปัจจุบันนี้เสร็จแล้วเวลาต้องการไฟนั้นก็เอาไม้แห้งๆมันสีเป็นไฟเอาไม้สีให้เกิดไฟขึ้นแต่ถ้าใช้ไม้สดและยังแค่น้ําด้วยมัสีให้เกิดไฟนั้ น, น่ะไม่มีทางจะสําเร็จหรือว่าเหนื่อยเปล่านะเพราะไม้เนี่ยมันยังสดอยู่และยังแช่ในน้ําด้วยนี่เป็นข้อที่หนึ่งอุปมาซึ่งได้เกิดขึ้นแก่พระองค์ในข้อที่สองนั้นว่า สมณพ ร, ราหมณ์เหล่าใดก็ดีแม้มีกายหลีออกจากกรรมแต่ยังมีความเพราะพอใจรักใคร่ในกามยังละให้สงบระงับไม่ได้สมณะพราหมณ์เหล่านั้นแม้ได้สวยทุกเวทนาเช่นนั้นอันเกิดจากความเพียงก็ดีไม่ได้สวยก็ดีก็ไม่ควรตัดสู่ในข้อนี้หมายถึงว่าสมณะพ ร, ราหมณ์เหล่าใดแม้มีกายหลีออกจากกรรมนั้นหมายความว่าถึงแม้จะเป็นนักบวชนะมาบวชแล้ว เรียกว่าเว้นจากการมีลูกมีเมียแล้วแต่ก็ยังมีความพอใจในกรรมคุณยังคลุ่นคลิดอยู่แต่ในเรื่องกามมคุณเรียกว่ายังมีกรมวิตกอยู่ยังรักสวยรักงามรักเพศตรงข้ามอยู่อย่างนี้ก็เหมือนกันถึงแม้จะบ่มเพนเพียนจนได้รับทุกขเวทนาอย่างแรงกล้าหรือจะไม่รับทุกขเวทนาเลยก็ตามก็ไม่ควรตัสะตลุ คนประเภทนี้ท่านบอกว่าเหมือนกับไม้สดที่ชุ่มด้วยยางถึงจะอยู่บนบกตาอยู่กลางแจ้งก็าตามแต่เมื่อจะเอามาสีให้เกิดเป็นไฟนั้นก็ไม่มีทางเพราะไม้นั้นไม่ใช่ไม้แห้งเป็นไม้สดสีเทาลายสลายก็เหนื่อยเปล่าไม่สามารถที่จะให้เกิดเป็นไฟได้นี่เป็นคนประเภทที่สองอุปมาข้อที่สองส่วนอุปมาข้อที่สามนั้นที่ได้เกิดขึ้นแก่พระองค์ว่า สมณพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งมีกายหลีกออกจากกามและละความพอใจละไขในกามให้สงบรมงับดีแล้วสมณะพราหมณ์เหล่านั้นเมื่อบำเพ็ญเพียรใน้สวยทุกเวทนาหรือไม่เกิดไม่ไม่ไมสวยก็ตามก็ควรที่จะตัดสู้ได้อันนี้หมายถึงว่าบุคคลที่ละเว้นจากกามกุณทั้งห้าเสียคือหมายความว่าตนเองทางกายนั้นก็ไม่มี ลูกมีเมียหรือว่ามีบุตรรัยาแล้วทั้งจิตใจก็ไม่ฝักไฝ่ไปในเรื่องการมมาคุณห้าไม่คลุมพิษไปในเรื่องกามมาคุณกามมาวิตกียกว่าละไดละไดหมดความเยื่อใยยินดีในกามมาคุณทั้งห้าผู้นี้แหล ะ, ะเมื่อบรเพณเพียนแล้วเนะี่ยควรที่จะได้ตัดสรุท่านเปรียบเทียบเหมือนกับไม้แห้งนะที่ไม่ได้แช่น้าคืออยู่บนบก แล้วก็ตากไวอตากไว้พึ่อถูกแดดไว้ด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อบุรุษต้องการที่จะสีไฟก็มาสีสามารถให้เกิดเป็นไฟได้เมื่อพระองค์ทรงมีอุปมาทั้งสามข้อเช่นนี้แล้วพระองค์ก็พยายามป้องกันจิตของพระองค์เนี่ยไม่ให้น้อมไปในเรื่องการมาลมแล้วก็บำเพ็ญเพียรทุกกริยาต่อไปอีกแต่ขั้นกระทําเข้าไป น, น, นานชานานก็หาหาได้ผลที่มุ่งหมายหม่ ก็จึงเดียนโทตมฤตสมัยว่าสมณะพราหมณ์เราใดเหล่าหนึ่งเนะ่ยคนใดก็ตามที่บำเพ็ญทุกขกรรมยานั้นยังแรงกล้าที่ได้รับเวทนาอย่างแสบร้อนอย่างดีที่สุดก็แค่เราเท่านั้นเองที่จะยิ่งไปกว่านี้เห็นจะไม่มีอีกแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ทําถึงที่สุดแล้วมันก็ยังไม่เด่นสําเร็จตามที่เราประสงค์เพราะฉะนั้นทางนี้คงไม่ใช่ทางสรัสรู้แน่อันนี้แหละจึงเป็นเหตุให้พระองค์นั้นทรงละการบำเพ็ญทุกขกริริยา สวัสดีท่านผู้ฟังและนักศึกษาทั้งหลายวันนี้ก็มาว่ากันบทเรียนต่อไปครั้งที่แล้วนั้นเราได้ว่ามาถึงตอนที่พระองค์นั้นเห็นว่าการบาเพ็ญทุกรักริยาคือการทรมานพระกายนั้นให้ลำบากนั้นไม่ใช่ทางตัรู้แน่ก็จึงได้เลิกเลิกการบาเพ็ญเพยียรแบบนั้นเสียแล้วก็ หันมากระทําความเพียรทางใจใหม่โดยซึ่งพระองค์คิดว่าการบําเพ็ญเพียรทางใจเนี่ยอาจจะเป็นการที่เลียดอที่เป็นการตัดสินุได้กระมังก็กลับมาทดลองความาทําความเพียรทางใจต่อไปแต่พระองค์ทรงคิดว่าไอการที่จะบําเพ็ญเพียรทางใจนั้นคนที่สู้ขมเช่นนี้ไม่สามารถจะทํานำจะทําให้เป็นไปได้เพราะอะไร เพราะการที่จะกระทาความเพี่ยนทางใจนั้นถ้าหากว่ากายยังกระวนกระวายอยู่กายกับใจเนี่ยเป็นของเนื่องกันถ้าหากว่ากายยังกระวนกระวายอยู่ก็ทําให้จิตใจในกระวนกระวายไปด้วยหาที่จะสบะงบสงบไม่ได้เพราะฉะนั้นทางที่ดีนั้นก็ควรที่จะบํารุงร่างกายเนี่ยให้แข็งแรงมีกําลังเหมือนกับเช่นเดิมก่อนเมื่อบํารุงร่างกายได้สมบูรณ์แล้ว ความวิตกทั้งร่างกายหรือความกระวนกระวายทางร่างกายไม่มีแล้วจิตใจก็สบงบระงับไปด้วยดังนั้นเมื่อพระองค์ทรงอพระดำริเช่นนี้แล้วก็จึงได้เริ่มออกบินทบาทใหม่ที่จะหาแสวงหาอาหารม า, าสเสวยเพื่อจะให้ร่างกายนี้สมบูรณ์เป็นปกติต่อไปฝ่ายปัญจวัคคีย์ทั้งห้าปัญจวัคคีย์นี้หมายถึงว่า นักบวชมีพวกห้าคือมีก็นักบวชกลุ่มหนึ่งห้าคนด้วยกันนักบวชทั้งห้าลูนกนห้าลูกนนี้ก็ได้แก่โกนทัญญะวัปปัทถิยะมหานามาสชิทั้งห้านี้แต่เดิมน่ะเป็นพรามในบรรดาทั้งห้าท่านเหล่านี้โกนทัญญะนั่นน่ะโกนทัญญาองค์นี้เป็น พรามองหนึ่งในบรรดาพรามแปดคนที่ได้ทำนายพลักษณะของพระมหาบุรุษซึ่งพรามเจ็คนนั้นทำนายคติเป็นสองแต่ว่าโกนธัญญาพรามผู้นี้ทำนายคติของพระองค์นั้นเป็นหนึ่งว่าจะต้องออกบวชเป็นสัตดาเอกในโลกอย่างแน่นอนดังนั้นโกนธัญญาพรามผู้นี้ก็จึงได้สดับอยู่เสมอขอสดับอยู่เสมอว่าพระองค์จะออกบรรพชาเมื่อไรก็จะเสด็จออกตาม เพื่อต้องการที่จะได้เล่าคำสองคพระองค์เพราะเชื่อแน่ในตำลางของของค์ของพระองค์ทั้งตนว่าจะต้องตัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธ เ, เจ้าอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นก็คอยสดับอยู่แต่ส่วนพราหมณ์อีสีท่านนะปัญจวคีสีท่านคือว่าปะพทธิยะมหานามัตชินีเป็นลูกของพราหมณ์ในบรรดาพราหมณ์ทั้งเจ็ดคนนะั้น ซึ่งพรามทั้งเจคนนั้นก็เห็นว่าอายุอันานามของตอนเองนั้นไม่สามารถจะอยู่ทันตอนที่อ่าเจ้าชายศีสากุมานี้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิหรือเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใดก็จึงได้สั่งบรรดาลูกๆไว้ว่าถ้าหากว่าเจ้าชายศีสากุมานี้ออกบทมาไหลออกบรรพชามาไห่แล้วก็เจ้าจงบวชตาม เพราะพระองค์นั้นเมื่อบวชแล้วจะได้เป็นศาสดาเอกของโลกอย่างแน่นอนดังนั้นโกนธัญญาพราม์เมื่อได้ไดไดทราบว่าเจ้าชายิทธากุมาณีเสด็จออก บ, อออกบรรพชาก็จึงได้ไปชวนลูกๆของบรรดาพราหม์ทั้งเจ็ดคนแต่ว่ามีผู้ที่ยอมสมัครจะบวช ด, ด้วยเพียงสี่ท่านเท่านั้นอีกสามท่านไม่ยอมเพราะฉะนั้นจึงได้เป็นบนรรพชิต เมื่อชวนกันแล้วก็จึงอนฐานเพศเป็นบรรพชิตเป็นนักบวชจึงได้เรียกว่าปัญจวัคคีเพราะเหตุที่ว่ามีพวกห้าคนด้วยกันทั้งห้านี้เมื่อบวชแล้วก็จึงได้ติดตามพระมหาบุรุษสืถามเลยว่าพระมหาบุรุษเสด็จไปอยู่ที่ไหนก็ติดตามมาจนกระทั่งมาพบกันที่ตำบลอุรุเวลาเสนานิคมนี่เอง มาพบในขณะที่พระมหาบุตรนี้กําลังบําเพ็ญทุกรติยาอยู่ตนเองก็เข้าไปปฏิบัติวธารมช่วยประคองลุกประคองนั่งต่างๆโดยเชื่อมั่นว่าพระองค์นั้นบําเพ็ญทุกรติยาแล้วจะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมา ส, มสัมพุทธเจ้าอย่างแน่นอนก็จึงพยายามประคองลุกประคองน้องปฏิบัติทุกเข้าคำ่ำช่วยปฏิบัติต่างๆ โดยความประสงค์เพียงอย่างเดียวเท่านั้นว่าขอให้พระองค์นั้นสำเร็จอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วสอนให้ตนเองนั้นได้รู้ตาบ้างนี่มีความประสงค์ทนนี้เองแต่เมื่อเห็นพระองค์นั้นทรงละทุกรกิริยาเสียนะกลับมาประพฤติเพียงทางใจโดยที่พระองค์นั้นเสด็จออกบินทบาทนะแสวงหาอาหารแิะมิถุมาเสวยใหม่ ก็มีความเข้าใจว่าพระองค์นั้นทรงคลายจากความเพียรเวียนมาเพื่อความเป็นคนมากๆสไปแล้วเนี่ยมีความเห็นอย่างนั้นก็เห็นว่าพระองค์นั้นไม่มีทางที่จะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อไปนี่อันนี้เราจะเห็นได้ว่าปัญจวคีนั้นน่ะยังเชื่อนักเชื่อหนาตามความเห็นของลัทธิพราหมณ์หรือว่าคนชมพูทวีป ว่าการกระทําบําเพ็ญเพียรทุกรกรกติยานั้นเป็นการกระทําบําเพ็ญเพียรอย่างยอดยิ่งแล้วพระองค์ก็ทําความเพียรอย่างยอดยิ่งอย่างนี้แล้วแล้วมาละความเพียรเสียไม่สามารถจะสาเร็จได้ก็แสดงว่าพระองค์นั้นไม่มีทางที่จะสําเร็จต่อไปแล้วก็จึงได้เกิดความเบื่อหน่ายในการที่จะปฏิบัติต่อไปก็มาปรึกษากันว่าก็ะบาดนี้พระองค์นั้นคลายจากความเพียรเวียนมาเพื่อความเป็นคนมากๆนั้น พระองค์ไม่อาจที่จะบรรลุธรรมพิเศษอย่างใดอย่างหนึ่งได้แล้วแล้วพวกเราทั้งหลายเนี่ยจะมาเฝ้าปฏิบัติเพื่ออะไรกันเราปฏิบัตินั้นเพื่อหวังว่าให้พระองค์สำเร็จและจะได้สอนให้พวกเราทั้งหลายเนี่ยรู้ตามบ้างแต่บัดนี้พระองค์ไม่มีทางสำเร็จแล้วเราก็จะมาปฏิบัติเพื่ออะไรกันสู้เราไปปฏิบัติหรือว่าไปเสาไปบำเพ็ญเพียร ตามลำพังเองดีกว่าดังนั้นเมื่อเขาคิดตกลงกันที่นี้แล้วจึงได้พากันลีกละพระมหาบรุษไปเสียไปอยู่ที่โน่นที่ป่าอิสิปตนมลคธายวันแวงมึงพราสนศีนุน่นก็การที่ปัญจวัคคีนั้นทั้งห้าได้มาอุปถัมภ์พระมหาบรุษในเวลาทรงบาเพ็ญทุกทุกกรกริยาเนี่ย และก็ได้จากไปในขณะที่พระองค์ทรงเลิกเนี่ยก็รู้สึกว่าจะมาเป็นพยานหรือว่าเป็นผลดีแก่พระมหาบุรุษเนี่ยทั้งสองประการเหมือนกันคือในขณะที่พระองค์ทรงบำเพ็ญทุกกระตรญญานั้นไม่สําเร็จนั้นก็จะได้ปัญจวัคคีนเนี่ยเป็นพยานว่าพระองค์ทรงกระทำมาแล้วไม่สามารถจะทําให้สําเร็จได้เพราะฉะนั้นการบําเพ็ญทุกกรัติญญานี้จึงไม่ใช่หนทางที่จะให้ตัดสู่ได้ นี่จะได้ต่อไปพระองค์จะได้อ้ามปัญจวัคคีเนี่ยเป็นพยานได้และการที่เมื่อพระองค์ทรงบร ม, ม, มละทุกขะริยาสเสียมบำเพ็ญเพียรทางใจนี้ปัญจวัคคีทั้งห้าเหล่านี้ก็ได้เหล็กนี้ไปก็เป็นผลดีอั น, อนหนึ่งของพระองค์เหมือนกันคือทําให้พระองค์เนี่ยได้รับความวิเวกความสงัดเพราะการบําเพ็ญเพียรทางใจนี้ต้องอาศัยความสงัดนะอาศัยความสงัด ถึงจะทำให้จิตใจนี่เป็นสมาธิได้ถ้าหากว่าอยู่ในในสถานที่ไม่สงดมีเสียงคนจอกแจกหรือเสียงโนนเสียงนี้ก็ทำให้จิตใจนี่เป็นสมาธิได้ยางอันนี้เมื่อปัญจวัคคีหลีกไปเสียก็นับว่าเป็นคุณประโยชน์แก่พระองค์เหมือนกันพระองค์ก็ได้รับความสงดและความวิเวเพระมหาบรุษนั้นเมื่อสวยพระกยาหารแขนงนะ ทำพากายให้มีกำลังขึ้นแต่อย่างเดิมแล้วก็เริ่มบาเพ็ญเพียรทางใจต่อไปเริ่มบาเพ็ญเพียรทางใจต่อไปนับตั้งแต่พระองค์ได้เสด็จออกบรรพชามาจนถึงนับตั้งแต่พระองค์ได้เสด็จบรรพชามาเป็นเวลานับได้ประมาณหกปีพระองค์จึงได้ตัสรูอนุตตรสัมมาสัมพธิสยา คือได้พระปัญญาตัสรูทมพิเศษอันเป็นเหตุให้พระองค์นั้นเนะ่ะพอพระไถวะพระองค์นั้นรู้ละนะพระองค์ก็ได้ตัสรูในวันราตรีแห่งวิสาขปุณมีคือในวันเพ็ญขึ้นสิบห้าค่ำบวนหกตอนพุทธศกสี่สิบห้าปีภายใต้ต้นไม้อัสทุลโพใบนะพระองค์นั้น นับตั้งแต่ออกบรรพชามาหกปีจึงได้สําเร็จการที่พระองค์ทรงตรัสรู้นั้นนะ่ะพระองค์รู้แต่ตรัสรู้ทาอะไรจรึงได้พระองค์จึงได้พอพระทัยว่ารู้ละนะแล้วก็ไม่เริ่มแสวงหาความรู้ต่อไปเริ่มที่จะสั่งสอนผู้บุคคลอื่นโดยที่พระองค์อปฏิญาณตนว่าพระองค์ว่าเป็นพุท ธ, ธะอันนี้ท่านพระมัชฌิมามัชฌิมาพานา迦จารย์ ได้แสดงการตัดสรูปของพระองค์ไว้ทังนี้ว่าพระองค์นั้นทรงจเจริญสมถะภาวนาทําจิตให้เป็นสมาธิแ น, แน่วแน่ที่พระองค์ทรงเริ่มบำเพ็ญทุกอ่า บ, บําเพ็ญเพียรทางใจนั้นนะ่ะพระองค์ทรงจเจริญสมถะภาวนาสมถะธรรมภาวานานี้คือทําจิตให้เป็นสมาธิให้แนบแน่บริสุทธิ์ปราศจาก อ, อุปกิเลส อ, อันเป็นเหตุเครื่องข่าวหมอง แล้วเมื่อพระองค์ทรงกระทำเช่นนี้แล้วพระองค์ก็ได้บรรลุฌานทั้งสามนะฌานทั้งสามโดยลําดับนะฌานทั้งสามโดยลําดับแห่งราตรีอ่าพระองค์ได้บรรลุฌานอ่าชายอ่าปฐมมณนได้บรรลุรูปฌานทั้งสี่คือปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานและสติฌาน แล้วก็สามารถยังยานอันเป็นตัวปัญญานั้นให้ให้เกิดขึ้นได้แต่ราชาละชานั้นในยามสามแห่งราตรีโดยลําดับกันยานทั้งสามนั้นก็คือยานที่หนึ่งก็ได้แก่ปุเพนิวาสานุสติยานปุเพนิวาสารุาาสติยานนี้ก็ได้แก่พระองค์ทรงระลึกชาติหรือว่าระลึกขังที่อาศัยอยู่ในก่อนได้ เราแปลกันง่ายๆหรือว่ารู้ง่ายๆคือระลึกชาติได้นะพระองค์ทรงระลึกชาติได้ที่พระองค์ทรงระลึกชาติได้นี้พระองค์ได้บรรุฌานนี้นั้นในยามต้นแห่งราตรีนะอันนี้นักศึกษาก็ควรจะรู้สักหน่อยว่าตามหลักพุทธศาสนานั้นถือว่าคืนหนึ่งนั้นเนี่ยมีสามยามยามหนึ่งสี่ชั่วโมงเพราะฉะนั้นตั้งแต่หกโมงเย็นถึงสี่ทุ่ม ถือว่าเป็นปฐมยามสี่ทุ่มถึงตีสองถือว่าเป็นมัธิมยามตีสองถึงหกโมงเช้าถือว่าเป็นปัติมยามสามยามด้กันผิดกับยามของไทยไทยเรานับเป็นสี่ยามยามหนึ่งสามชั่วโมงนะแต่พุทธศาสนายาไอคืนหนึ่งมีสามยามเพราะฉะนั้นในยามที่หนึ่งคือตั้งแต่หกโมงเย็นไปจนถึงสี่ทุ่มในระยะนี้ พระองค์ทรงบำเพ็ญเจริญสมถภาวนาบรรลุฌานทั้งสี่แล้วก็ยังยานอันเป็นตัวปัญญาที่หนึ่งคือปุเพนิวาสานุสติยานที่แปลว่าระลึกชาติได้นี้ให้เกิดขึ้นในยามที่สองตั้งแต่สี่ทุ่มจนถึงตีสองสีทุ่มจนถึงตีสองพระองค์ก็ยัง ญาณอันเป็นตัวบัญญาที่สองคือจุตูปะปะตาตญาณจุตูปปตาตญาณ น, นี่แปลว่าการรู้การตายและการเกิดของเราสัตว์ทั้งหลายหรือเรียกในหนึ่งว่าทิพจักขุคือมีดวงตาทิพสามารถรู้ได้ว่าสัตว์ผู้นี้ตายไปจะไปเกิดที่ไหนแล้วเกิดมาจากที่ไหนเหล่านี้พระองค์ทรงบรรลุ ในยามที่สองแห่งราตรีในยามที่สามแห่งราตรีนั้นระหว่างตีสองถึงหกโมงเช้าพระองค์ก็ได้บรรลุอาสวัคยายานคือยานเป็นเหตุให้สิ้นกิเลสอาสวะเครื่องสมองที่หมักห ม, มมอยู่ในจิตสันดานนี่พระองค์สามารถบรรลุได้สามารถบรรลุได้โดยที่พระองค์นั้นกําหนดรู้ขันพร้อมทั้งอาการ อันเป็นเหตุให้พระองค์นั้นเป็นผลสืบเนื่องกันไปจนกระทั่งที่ได้รู้อริยสัตย์สี่ประการอริยสัตย์สี่ประการนั่นก็คือของจริงสี่ประการนี่พระองค์ได้บรรลุในยามที่สามแห่งราตรีเมื่อพระองค์ได้ทรงรู้อริยสัตย์สี่ประการนี่แหละพระองค์ก็จริงพอพระไยว่าพระองค์นั้นนะ่ะได้ตรัสรู้แล้วคือได้รู้อริยสัตย์สี่ประการ เมื่อพระองค์รู้เช่นนี้แล้วจิตของพระองค์นั้นก็ไ ม, ม่ยึดมั่นโดยอุปาทานในขณะไ ม, ม่ยึดมั่นในอุปาทานจิตใจของพระอรหัพระอหันทยของพระองค์นั้นก็จึงได้ปราศจากกิเลสอาสะวะโดยประกาศทาั้งปวงก็ในญาณทั้งสามที่พระองค์ได้ทรงบรรลุนั้นเนะ่ยมีเนื้อความที่ท่านได้อธิบายไว้อย่างนี้ ยานต้นที่เรียกว่าปุเพนิวาส า, สานุสติญาณนั้นที่ว่าพระองค์นั้นนอกจากที่ว่าจะกล่าวเป็นปุคลาธิฐานคือพระองค์ทรงระลึกชาติได้ว่าในอดีตชาตินั้นพระองค์ได้เกิดเป็นเช่นนั้นเกิดมาแล้วประมาณห้าร้อยชาติในชาตินั้นเป็นเช่นนั้นมีพ่อมอีมีแม่มีญาติพี่น้องชื่ออย่างนั้นมีชื่อว่าอย่างนั้นนี่แต่ถ้าจะกล่าวโดย ธรมาทิฐานนั้นหมายถึงว่าพระองค์นั้นได้อย่างรู้ถึงอัตภาพอันเป็นสภาวะคือได้รู้ว่าคนเรารู้ว่าสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมานี้นั่นเนี่ยเกิดมาด้วยอำนาจอะไรเกิดมาด้วยอำนาจแห่งขันทั้งห้านะฮะเกิดมาด้วยอำนาจแห่งขันทั้งห้าที่เราเรียกว่ารูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันและวิญญาณขัน ส่วนรูปขันนั้นก็ได้แก่ธาตุทั้งสี่คือปฐวีอาปโปเ ต, โ, ตโชระวายโยคุมเงินเข้า่ะจึงเรียกว่าลูกความรู้สุกวสุขหรือทุกหรือเฉยเฉยก็เป็นขันอันหนึ่งเรียกว่าเวหนาและความที่จำโน้นจํานี้ได้ก็เป็นขันอันหนึ่งที่เราเรียกว่าสัญญาขันและความนึกคิดนะความนึกคิดไปในทางที่ดีบ้างชั่วบ้างอันนี้ก็เป็นอีกขันหนึ่งที่เราเรียกว่าสังขาระขัน และความที่รู้ทวานทั้งห้าคือว่าสามารถรู้ได้ว่าอะไรเป็นอะไรนั้นอันนี้ก็เป็นไปด้วยอำนาจของจิตนะก็เป็นอีกขันหนึ่งที่เราเรียกว่าวิญญาณขันสามารถที่จะรู้แจ้งอารมณ์ได้โดยที่แท้แล้วคนเราที่เกิดมาหรือว่าร่างกายของเรานั้นก็คือเกิดมาด้วยอานาจของขันทั้งห้าเหล่านี้เองนี่พระองค์สามารถที่จะสามารถที่จะรู้ได้ ที่เราเรียกว่าปุเพนิวาสานสุสติคือระลึกได้ว่าคนเราที่เกิดมานี้เกิดมาด้วยอํานาจของขันทั้งห้ารวมกันประชุมเข้าจึงเรียกว่าเป็นตัวเป็นตนขึ้นแต่บางคนนั่นรู้ไม่ไม่สามารถจะรู้ได้ไม่สามารถจะอย่างรู้ได้ว่าเป็นอะไรก น, เ ป, นก เ, เป็นก็เลยเป็นกายเป็นคนที่ว่าลุ่มหลงหลงรักหลงชังในขันทั้งหลายรักตัวเองบ้างรักคู้นั้นบ้างรักผู้อื่นบ้าง เพราะฉะนั้นพระองค์ก็จะเปรียบเทียบแล้วเหมือนกับนายช่างรถซึ่งสามารถจะจ ะ, จะรู้ละเอียดว่าที่สร้างขึ้นมารถนั้นสร้างขึ้นเป็นรถขึ้นมนั้นประกอบไปด้วยภัพสะสังภาและอะไรบ้างนี่เพราะฉะนั้นพระองค์ก็จึงหมดความหลงในขันอันเป็นเหตุลักและเป็นเหตุทางเหล่านี้เป็นต้นส่วนในยานที่สองนั้นที่ว่ า, าสามารถรู้การจุติและการเกิดของเร่าสัตว์ได้นั้น ก็เพราะเหตุที่ว่าพราะองค์นั้นสามารถที่จะรู้ได้ว่าเราสัตว์ทั้งหลายเมื่อกระทำกรรมเช่นใดแล้วก็สามารถจะไปไปไปเป็นไปตามกรรมเช่นนั้นเช่นบางคนที่เกิดมาในชาตินี้เกิดมาในตระกูลที่ยากจนแล้วก็เป็นคนที่อัปลักษณ์เหล่านี้เป็นต้นเพราะเหตุในอดีตชาตินั้นตนเองได้กระทำกรรมชั่วไว้ แต่บุคคลใดเกิดมาในชาตินี้ิลํารวยเป็นคนสะสวยงดงามมีทรัพย์สมบัติมากเพื่อนบริวารมากเพราะในอดิตชาตินั้นได้กระทําแต่คุณงามความดีไว้ชั้นใดก็ดีแม้แต่ว่าบุคคลที่ในชาตินี้ก็ตามที่กระทําคุณงามความดีไว้เมื่อตายไปแล้วก็จะไปเกิดในสุกติสามารถสามารถไปเกิดในสุกติโลกสวรรค์ได้แต่บุคคลใดกระทำแต่กรรมชั่วคนนั้นก็จะไปสู่อบายภูมิหรือว่าทุกติได้ อันนี้เรียกว่าพระองค์ทรงทราบถึงการจุติและการเกิดของเหล่าสัตว์ทั้งหลายในยานที่สามนั้นพระองค์ทรงอย่างรู้ถึงอาการที่เป็นผลเนื่องกันในที่นี้พระองค์ทรงพิจารณาถึงปฏิจจสมุปบาทซึ่งเป็นของเกิดอาศัยกันใช้กันเกิดขึ้นตั้งแต่อวิชชาปจยาสังขารา สังขารและปัจจายาวิญญาณนั่งเป็นต้นอวิชานี้เป็นเหตุให้เกิดสังขารสังขารเป็นเกิดเป็นเหตุให้เกิดวิญญาณเหล่านี้พระองค์ทรงพิจารณาปฏิจจสมุปบาทนี้ทั้งอนุโลมและปฏิโลมคือพิจารณาทั้งในส่วนที่เป็นไปตามลำดับและก็ย้อนลาดับเมื่อพระองค์ทรงพิจารณาเช่นนี้แล้วก็จึงสามารถได้ทรงเห็นอริยสัจสีประการ ก็คือทุกสมุทัยนิโรธมักซึ่งอะไรอริยสตรีประการนี้แหละอริยสตรีประการนี้แหละที่พระองค์ทรงบรรลุนั้นยังไม่มีบุคคลใดบุคคลหนึ่งนั้นได้กล่าวหรือว่าไดแสดงไปก่อนเพราะฉะนั้นความจริงอริยสตรีประการนี้มีเป็นของเป็นธรรมะอยู่ประจําโลกแต่ยังไม่มีบุคคลใดบุคคลหนึ่งนี้ได้ค้นพบ พระองค์เป็นคนพบเป็นคนแรกเป็นผู้พบเป็นองค์แรกเพราะฉะนั้นพระองค์ก็จึงได้ประกาศได้ว่าพระองค์นั้นศัสรูโดยที่ไม่มีครูบาจังที่สั่งสอนก็คือว่าอริยสัตยสีประการ น, นี้พระองค์ยังไม่มีบุคคลใดบุคคลหนึ่งนั้นเคยสั่งสอนพระองค์หรือเคยประกาศมาก่อนอันนี้แหละก็คือที่พระองค์ทรงบรรลุนั้นเป็นพระสัมมาสัมโพธิยานั้น ก็คือทรงบรรลุอริยสติอริยสติปการนี้เองเป็นอันว่าพระองค์นั้นได้บรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณคือตัสรู้ในวันขึ้นสิบห้าคำเดือนหก่อนพุทธศกสี่สิบห้าปีในยามที่สามที่สามแห่งราตรีนั้นค่อนลุง เมื่อพระองค์ทรงบรรลุแล้วปรากฏว่าพระอาทิตย์อุทัยวันแรมข้ามก็ได้โผล่ได้ขึ้นมาพอดีก็ไปนอันว่าพระองค์นั้นยังได้บรรลุอยู่ในวันครึ่งที่ห้าาเดือนหกก็พระผู้มีภาคเจ้านั้นได้บรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุท ธ, ธเจ้าปราศจากกิเลสอาสวะทั้งปวงแล้วจึงได้มีพระนามอยู่อ่ ได้มีพระนามเฉลิมพระนามแก่พระองค์อีกสองพระนามด้วยกันก็คือคำว่าอรหังและสัมมาสัมพุทธธพระนามทั้งสองพระนามนี้มิได้มีบุคคลใดบุคคลหนึ่งตั้งให้แต่เป็นพระนามที่เกิดขึ้นแก่พระองค์โดยคุณคุณวิเศษหรือว่าโดยคุณมิตรนั่นเองพระนามว่าอรหังนั้นที่ได้พระนามว่าอรหังนั้นก็เพราะเหตุพระองค์นั้นเป็นผู้ไกลจากกิเลส หรือว่ากำจัด ก, กิเลสจากพระหรทัยของพระองค์นั้นได้อย่างหมดสิ้นจึงมีนามว่าอาหารหันต์และพระองค์ได้ตรัสรู้โดยลำพังพระองค์เองคือตรัสรู้อริยสัจสีประการโดยที่ไม่มีบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นครูบาอาจารย์สั่งสอนเพราะฉะนั้นจึงได้ปรากฏพนามสัมมาสัมพุทโธแปลว่ารู้เองโดยชอบ พนามทั้งสองพนามนี้จึงเป็นพนามของพระองค์ตั้งแต่นั้นมาฝ่ายพระอาจารย์ผู้รจนาอัตฉริยานั้นได้แสดงกล่าวต่อไปว่าก่อนที่พระองค์จะตัดสู่ในวันนั้นนั้นได้มีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะได้มีเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นก่อนที่พระองค์จะตัดสู่ก็คือว่าในเช้านั่นเอง นางสุชาดาผู้เป็นบุตรีของกุฎุมีนายบ้านคนหนึ่งแห่งตำบลเสนานิคมนั้นตำบลอุรุเวลาเสนานิคมนั้น่ะปราทนาจะกระทำบวงสวงเทวดาจึงได้หุงข้าวปลาปลาญาติขึ้นคือนางสุชาดาผู้นี้ <c oughs> <c oughs> เหตุที่จะทําการบวงสวงเทวดานั้นก็เพราะเหตุที่ว่าตอนที่แกยังเป็นาสาวสาวรุ่น แกก็ไปบนบานสารกล่าวที่ต้นไทรต้นหนึ่งใกล้ๆบ้านของแกซึ่งต้นไทรต้นนั้นเชื่อจะมีความเชื่อว่าเป็นที่สิงสถิตของลุกเทวดาหรือผูอ้เทวดาผู้ศักดิ์สิทธิ์อยู่แห่งนั้นแกก็ไปอธิษฐานไปบนบานว่าถ้าหาวาขปเจ้านะไปขอพรว่าถ้าหาว่าเข้าปเจ้านี้ได้แต่งงานเมื่อยังอยู่ในวัยสาวรุ่ง ประการหนึ่งอวัยวัยสาวรุ่นกับชายที่มีชาติสกุลและทรัพย์สมบัติเสมอกันประการหนึ่งและอีกประการหนึ่งถ้าหาวข้าพเจ้ามีบุตรคนหัวปีเป็นผู้ชายสองประการนี้ถ้าข้าพเจ้าสําเร็จความประสงค์แล้วข้าพเจ้าจะทําการบวงสรวงหรือว่าแก้บนอย่างโมโหหลังนี่นางคุชชาปานาลัอย่างนั้น เพราะฉะนั้นปรากฏวันนางสุชาดานี้ต่อไปต่อไปนั้นต่อมาน้งแกก็ได้สําเร็จความปารถนาทุกประการดังนั้นในวันอในวันโกนในวันสิบสี่ค่ำแห่งเดือนหกนั้นก่อนที่พระพุทธองค์จะตรัสรู้หนึ่งวันนางสุชาดานี้ก็จึงได้โกนข้าวมะทุ ป, ปายาตข้าวมะทุ ป, ปายาตนี้ก็คือข้าวที่หุงด้วยน้ํานมโคล้วนโดยที่ไม่ได้เจือนหน้ามเลย แล้วก็ใส่พวกเ น, เกเนยและก็น้ำตาลใส่โกดังหลายเมื่อหุงเสร็จแล้วในรุ่งขึ้นในตอนเช้านั้นก็จึงได้นำเอาข้าวมะทุปลาย่านี่แหละใส่ถาดทองนำไปที่ต้นทรายต้นนั้นไปเห็นพระมหาบุรุษในตอนเช้านั้นก็เข้าใจว่าเป็นลูกเทวดาก็จึงได้นำ ข้าวมัทุปายาตเ่านี้ข้าวมัทุปายาตนี้นําไปถวายเข้าไปถวายพอนําเข้าไปถวายแล้วพระมหาบุรุษนั้นตอนนั้นบาดหายไม่มีบาดก็มองหน้านางตุชาดานางตุชาดาก็บอกว่าขอถวายทั้งบาทอดขอถวายทั้งถาดทองเลยพระมหาบุรุษทรงรับข้าวมัทุปายาตแล้วก็จึงได้นําข้าวมัทุปายาตเนี้ยเสด็จไปที่แม่น้ําในลัญชลา อทรงสงสนานแล้วทรงขึ้นมาเสวยข้าวมาัทุกขายาดเมื่อพระองค์ทรงเสวยข้าวมัทุกขายาดแล้วก็ทรงลอยถาดทองเนี่ยในกระแสน้ําโดยที่พระองค์ทรงดิษฐานว่าทหารว่าข้าพรเจ้านี้จะได้ตัดสู้อนุตตรสมาสมโพธิญาณขอให้ถาดใบนี้จงขออจงลอยทวนกระแสน้ําไปก็ปรากฏว่าถาดใบนั้นลอยทวนกระแสน้ํำ ไปแล้วไปประมาณแปดสิบสองแล้วจิงได้จงขึ้นสมหาบุตรก็มั่นใจว่าพระองค์นี้คงจะได้ตัสรูแน่นอนเพราะฉะนั้นพระองค์ก็ในวันนั้นก็ทรงพักผ่อนในกลางวันในดงไม้สาระใกล้ๆแนนานาม่น้าในรานชลานัเองในตอนเย็นนั้นพระองค์ก็แสวงหาสถานที่ตัสรูในขณะที่จะเดินเดินแสวงหาที่ตัสลูนั้นก็ได้รับยาคาของคน หาบญ้าหรือตัดหญ้าขายคนหนึ่งที่ว่าชื่อวสุิยะในระหว่างทางเป็นหญ้าคาโดยกัรแฝกกบมือพระองค์ก็ได้สแสวงหาสถานที่ก็เห็นว่าต้นโพนี่แหละเป็นสถานที่เหมาะที่จะได้บำเพ็ญทุกข์จะได้บาเพ็ญเพียรต่อไปก็จึงได้ปูราดญาคานั้นที่โคนต้นโพแล้วก็พระองค์ก็ประทับนั่งบนญ้าคานั้นหันหน้าไปสู่ทางทิศตะวันออก เสด็จนั่งขัดสมาธิแล้วก็บำเพ็ญทุกขาิบเพ็ญเพียรต่อไปจนกระทั่งี่ว่ากระทั่งที่ได้สำเร็จเป็นได้สาเร็จเป็นพระละหันสมาสมาสมพุทจะเจ้าแต่ว่าพระองค์นั้นเมื่อโอูยาคาไปแล้วอธิฐานแล้วพระองค์อธิฐานในใจว่า เท่าตราบใดก็ตามที่ข้าพเจ้ายัางไม่สำเร็จพระสัมมาสัมโพธิญาณเพียงใดจะไม่ลุกขึ้นแม้วันเนื้อและโลหิตจะเหือดแห้งไปเหลือแต่หนังเอ็นและกระดูกก็ตามทีนี่พระองค์ทรงอธิษฐานเช่นนี้และพระองค์ก็ทรงประทับนั่งเอาละท่านผู้ฟังและนักศึกษาทั้งหลายวันนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนขอความเจริญพรสุข จงมีแก่ท่านผู้ฟังทุกทุกท่านด้วยกัน